สิขาบทที่8เรื่องพระชัพคี635สามสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุชัพคีแสดงธรรมแก่คนถือไม้พลองพระบัญญัติ8พึงททำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้ถือไม่พลองเรื่องพระชัพคีจบ สิขาบทวิพังที่ชื่อว่าไม้พลองได้แก่ไม้พลองยาวสี่ศอกขนาดศอกของคนสันฐานปานกลางยาวกว่านั้นไม่ใช่ไม้พลองสั้นกว่านั้นก็ไม่ใช่ไม้พลองภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ถือไม้พลองภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้ถือไม้พลองต้องอบัตทุกกฎอณาปฏิวัณภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ หนึ่งภิกษุไม่จงใจสองภิกษุไม่มีสติสามภิกษุผู้ไม่รู้สี่ภิกษุผู้เป็นไข้ห้าภิกษุผู้มีเหตุขัดข้องหกภิกษุวิกลจริตเจ็ดภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่8จบ